คลันเชื่อจึงเห็นจริงมีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกชยยายหญิงอีกห้าคนทุกๆวันเวลาเช้ากลางวันเย็นพ่อกับแม่จะพาลูกๆเข้าไปสวดมนต์ในห้องเพื่อทำพิธีบูชาพระศิวะอันเป็นคำนียมที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าจนกระทั่งวันหนึ่ง ผู้เป็นพ่อก็บังเกิดความสงสัยในสิ่งที่ครอบครัวของตนกําลังกระทําอยู่เขาบอกให้ทุกคนหยุดสวดมนต์ต่อพระศิวะภรรยาของเขาได้ยินดังนั้นจึงร้องถามสามีว่าทําไมท่านต้องให้ข้ากับลูกๆหยุดสวดมนต์กลางคันทั้งๆที่เรากําลังจะสวดจบบทอยู่แล้วแท้ๆนั่นสิพ่อลูกขี้เกียจสวดใหม่แล้วนะ ลูกอยากไปขี่ม้าเล่นเต็มแก่แล้วลูกชายคนโตโอดครวญต่อไปเนี้ยพวกเราจะไม่สวดมนต์ให้พระศิวะอีกผู้เป็นพ่อพูดเสียงหนักแน่นทําไมละจ้าพ่อลูกสาวคนที่สองถามเพราะพ่อไม่เห็นว่าพระศิวะจะช่วยอะไรเราได้พ่อสวดมนต์ถึงพระองค์มาตั้งแต่เด็กก็ไม่เห็นว่าชีวิตจะดีขึ้นมาสักกี่มากน้อยดูสิ ทุกวันนี้พ่อก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมทํางานเหมือนเดิมได้เงินเท่าเดิมและมีชีวิตแบบเดิมๆไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยสักอย่างไม่แน่ว่าบางทีพระศิวะอาจจะไม่มีจริงก็ได้ลูกสาวคนที่สามซึ่งนั่งเล่นอยู่กับน้องชายอีกสองคนหันมาถามผู้เป็นพ่อว่าถ้าเราไม่สวดมนต์บูชาพระศิวะแล้วเราจะไปสวดมนต์ให้ใครละจ้าพ่อ เราจะไม่นับถือพระสิวะอีกแต่เราจะเปลี่ยนไปนับถือพระกิจณะแทนผู้เป็นพ่อต่อเพื่อนร่วมทําการค้ากับพ่อคนหนึ่งนับถือพระกิจณะมากเขาสวดมนต์กราบไหว้พระองค์ทุกวันกิจการของเขาก็รุ่งเรืองขึ้นทุกวันเช่นกันจากคนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีไปแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็มาสวดมนต์และส่งเิยคุณพระกิษณะกันเถอะ ผู้เป็นแม่เห็นด้วยทันทีดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงเลิกบูชารูปปั้นพระศิวะและหันมาสวดมนต์ให้พระกฤษณะแทนแต่ครั้นพอเริ่มสวดมนต์ไปได้ไม่นานผู้เป็นพ่อก็ร้องขึ้นว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนเราต้องหาผ้ามาคุมพระศิวะก่อนเดี๋ยวพระองค์จะเห็นว่าเราสวดมนต์ให้พระกฤษณะ ลูกชายคนโตวิ่งไปเอาผ้ามาคมลุมรูปปั้นพระศิวะไว้ขันสวดมนต์เสร็จจะร้องเพลงสรรเสริญต่อพระกะิตินะผู้เป็นพ่อก็ร้องขึ้นอีกว่าเดี๋ยวก่อนเราต้องหาสมลีมาอุดหูพระศิวะก่อนเดี๋ยวพระองค์ได้ยินเพลงที่เราร้องสรรเสริญพระกฤตณะลูกสาวคนที่สองก็อาสาไปหาสมลีมาอุดหูรูปปั้นของพระศิวะให้ถ้าอย่างนั้น ลูกกับน้องๆจะขอจุดธูปให้พระกฤษณะหน่อยนะเจ้าพ่อลูกสาวคนที่สามบอกโดยมีน้องชายอีกสองคนถือทูปรออยู่อ้อถ้าอย่างนั้นนะก็ต้องเอาสมรีมาอุดจมูกพระศิวะไว้ด้วยเดี๋ยวพระองค์จะรู้ว่าเราจุดทูปให้พระกฤษณะผู้เป็นพ่อบอกและแบ่งสมรีจากลูกสาวคนที่สองมาคลึงเป็นก้อนเล็กๆ ก, ก่อนจะใส่เข้าไปในรูจมูกของรูปปั้นพระศิวะ ในทันใดนั้นเองเกิดสายฟ้าฟาดลงมากลางห้องดังเปรี้ยงใหญ่แล้วทั่วท้องห้องก็สว่างว่าไปด้วยแสงสีขาวอันเ จ, จิดจัดพร้อมกับร่างที่งดงามเกินมนุษย์ร่างหนึ่งปรากฏอยู่กลางห้องท่านเป็นใครผู้เป็นพ่อร้องถามร่างนั้นด้วยเสียงอันสั่นเทาเพราะความกลัวร่างงดงามนั้นยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าเราคือพระศิวะ เทพเจ้าผู้รับฟังคำสวดมนต์จากครอบครัวของเจ้ามาหลายเพลาเมื่อได้ยินดังนั้นทั้งเจ็ดคนก็รีบก้มลงกราบพระศิวะเป็นการใหญ่เพราะเราเปลี่ยนไปสวดมนต์ให้แก่พระกิตเนะพระองค์ก็เลยมาลงโทษพวกเราหรือจะแม่ลูกสาวคนที่สองกระซิบถามผู้เป็นแม่ด้วยความหวาดหวัน่นพระศิวะมีหูทิพย์พระองค์ได้ยินสิ่งที่เด็กหญิงถามแม่ จึงย้อนถามกลับไปว่าแล้วเหตุใดพวกเจ้าจึงต้องเปลี่ยนไปบูชากฤษณะแทนข้าได้เล่าลูกชายคนโตตอบขึ้นมาทันทีว่าเพราะที่ผ่านมาพระองค์ไม่เคยให้ความช่วยเหลืออะไรกับพวกเราเลยทั้งทั้งที่เราสวดมนต์ให้แก่พระองค์ทุกวันพระศิวะหัวเราะหนุ่มน้อยลองคิดดูอีกทีเถิดว่า ที่ผ่านมาเจ้าสวดมนต์ให้ใครให้ข้าหรือรูปปั้นของข้าเวลาที่ริมฝี ป, ปากของเจ้าขับบทสวดออกมาเจ้าระลึกถึงข้ามากแค่ไหนเปล่าเลยเจ้าไม่ได้คิดว่าข้ามีตัวตนอยู่ตรงนี้จริงเจ้าทำเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวบทสวดของเจ้าจึงสวดให้แก่รูปปั้นของข้าไม่ได้ส่งมาถึงข้าแม้แต่น้อย และถึงแม้เจ้ากับครอบครัวจะเปลี่ยนไปบูชาเกฤษณนะเขาก็จะไม่ช่วยอะไรพวกเจ้าหรอกเพราะพวกเจ้าบูชารูปปั้นของเขาไม่ได้บูชาในตัวเขาเลยผู้เป็นพ่อถามว่าหรือหรือพระองค์จะมาลงโทษพวกเราที่ทำเช่นนั้นกับรูปปั้นของพระองค์ขา้าไม่พอใจในสิ่งที่พวกเจ้าทำนักหรอกภริวะกล่าว แต่ก็แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าพวกเจ้าเชื่อว่าข้ามีอยู่ตรงนี้จริงๆเมื่อเจ้าเอาผ้ามาคุมไม่ให้ข้าเห็นเอาสมรีมาอุดหูไม่ให้ข้าได้ยินอุดจมูกไม่ให้ข้าได้กลิ่นและถ้าใครก็ตามที่เชื่อว่าข้ามีอยู่จริงข้าก็จะปรากฏให้เขาเห็นในสักวันเพื่อมอบพร อ, อันเสรฐแกเขา กล่าวจบพระศิวะก็ให้พรกับทุกคนในครอบครัวนี้แล้วหายวับไปทุกคนก้มลงกราบและกล่าวคำสรรเสริญแด่พระองค์จากนั้นจึงช่วยกันเอาผ้าและสํารีออกจากรูปปั้นของพระศิวะและหันกลับมาบูชาพระองค์ดังเดิมเธอทั้งหลายเธอเคยหงุดหงิดใจไหมว่าเวลาไปร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เหตุใดเราจะต้องทนปวดเมื่อยนั่งฟังคำสวดที่เราไม่รู้เรื่องแล้วทำไมเราจะต้องสวดมนต์ด้วยถ้อยคามากมายที่เราไม่เคยเข้าใจเธอนั่งอยู่ตรงนั้นเพียงสามนาทีเหมือนนั่งมานานสามชั่วโมงแต่ลองหันไปมองคนที่เขาตั้งใจสวดและระลึกถึงคำสวดนั้นไปด้วยสิเขาไม่เห็นจะกระสับกระสายอย่างเธอเลยหลายๆคน ก็คงจะไม่เข้าใจความหมายของบทสวดนั้นเหมือนเธอนั่นแหละแต่ที่ทําให้เขายังนั่งอย่างเป็นสุขอยู่ได้ก็เพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เขากําลังทําเขาเชื่อว่าความเป็นพุท ธ, ธะได้ประทับอยู่ในตัวเขาแล้วเมื่อเขาสวดมนต์เรื่องที่ต้องทํากับเรื่องที่ทําด้วยความเชื่อมั่นมันให้ผลที่แตกต่างกันมากทีเดียวละเธอเอย๋ยเรื่องที่ต้องทําทําให้เกิดทุกข์ ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำแต่เรื่องที่ทำด้วยความเชื่อมั่นทำให้เกิดสุขตั้งแต่ที่คิดจะทำเรื่องที่ต้องทำทำไปอย่างไม่มีจุดหมายแต่เรื่องที่ทำด้วยความเชื่อมัน่นจะทำให้เราเห็นจุดหมายอยู่รำไรเรื่องที่ต้องทำนำให้เราสิ้นศรัทธาแต่เรื่องที่ทำด้วยความเชื่อมัน่นจะพาความสำเร็จมาให้ในที่สุด แล้ว